สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เราประสบอยู่ทุกเวลาอันนั้นก็คือสภาวธรรมแม้แต่วิชาความรู้ที่เราเรียนมาจะเป็นขแขนงไหนศาสต ร, ร์ไหนก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็คือสภาวธรรมทั้งสิน้นนี่แหละคือสภาวธรรมอันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงมา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 เห็นพระนางพี่สาขามหาอุบาสิกาท่านอนาถบินเดกอตสิเดกามหาเศรษฐีท่านก็เป็นผู้คล อ, องเย้าคลองเรือนแล้วก็มีศีลเพียงห้าข้อเท่านั้นและท่านปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุพระโสดาบันคนในสมัยปัจจุบันนี้มีแต่เพียงแค่ศีลห้าก็ยังถือว่าเราน้อยน่าน้อยหน้าต่ําตาศีลของเราไม่มาก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 เพิ่มข้อมาลาเข้าไปแต่ว่าเว้นจากประดับตกแต่งไม่ได้เพิ่มข้อนัจคีเข้าไปแต่ว้นจากการดูพร้นลำขับร้องประโคมด น, นตรีไม่ได้เพนเว้นข้ออุจจาเข้าไปแต่ก็ยังคอใจตอนในที่นอนที่สูงที่ใหญ่เราก็รักษาไม่ได้เป็นการหาเรื่องเพิ่มบาปให้แก่ตนเองโดยไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้น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 แล้วเราก็จะเกิดความสงสัยเอ๊ะทำไมพระสอนไม่เหมือนกันถ้าเกิดความสงสัยขึ้นมาอย่างนี้ใจของเรามันก็หลังเลในเมื่อลังเลลงไปแล้วเราก็ไม่อาจที่จะจับหลักอันใดมาเป็นข้อปฏิบัติของเราอย่างจริงจังนี่คือคืออุปสรรค <c oughs> สิ่งที่เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นมีทางเดียวอยู่ตรงที่ว่า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 ส่งกระแสจิตฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วให้มารวมอยู่กับคำบริกรรมภาวนาเพียงคำเดียวเป็นเบื้องต้นก่อนจุดมุ่งหมายมีอยู่เพียงแค่นี้ทีนี้ในอันดับต่อไปเนี่ยอาตมาจะได้นำแบบวิธีการที่ท่านอาจารย์เสาท่านได้ดสอนกรรมาฐานมาในเทศที่วัดเบนจะมาบอพิษ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 จิตอาจจะส่งกระแสไปในทางอื่นได้ก็ให้ปล่อยวางการกําหนดรู้ลมหายใจเสียนึกพุทโธให้เร็วๆเข้าให้มันติดต่อกันเป็นพืชโดยไม่ขาดสายเนกอ ย, อย่างนั้นอย่าไปนึกว่าเมื่อไรเจตจะสงบเมื่อไรจะรู้จะเห็นเมื่อไรเจตจะสว่างไม่ต้องนึก หน้าที่ของท่านมีแต่นึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไว้ในใจนึกเบาเอย่าให้มีอาการขมจิตอย่าให้มีอาการเก่งกล้าเนื้อต่างๆของร่างกายนั่งในท่าที่สบายเนกถึงอารมณ์พุโทโธให้ลายสบา ย, บายให้เบาใจที่สุดแล้วก็นึกอยู่อย่างนั้นจดจ้องอยู่ที่พุโทโธเอาพุโทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้ที่พุโทโธ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 อย่าไปเข้าใจผิดว่าเราจะง่วงนอนหรือจะนอนหลับให้บริกรรมภาวนาพุทโธเข้าเบอร์เจตงบวูบลงไปเหมือนอาการง่วงนอนก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอย่าไปฝืนเนี่ในตอนนี้นักภาวนาทั้งหลายในเมื่อรู้สึกว่ามีอาการเริ่มเรเหมือนกับจะง่วงนอนแล้วก็มีอาการวูบลงไปแล้วก็ตกใจ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 คำบริกรรมภาวนาพุทโธหายไปจิตไม่นึกถึงพุทโธอีกแล้วในตอนนี้ก็อยากเข้าใจผิดว่าเราเผลอไปมันเป็นธรรมชาติของจิตที่สงบลงไปด้วยบริกรรมภาวนาเมื่อภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจิตสงบผู้ลงสว่างลงไปแล้วคำบริกรรมภาวนาผุหายไปแต่ผู้ที่ไม่เข้าใจเมื่ออาการของจิตเกิดขึ้นอย่างนี้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 เราจะดูลมหายใจออกเข้าออกเข้าออกเข้า อ, อ, าอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ดูอยู่เฉยเฉยอย่าไปทักไปท้วงหรือไปเอะใจใดๆทั้งนั้นแล้วก็ไม่ไป น, นึกว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจหยาบเพียงแต่กำหนดรู้ที่ลมหายใจเท่านั้นถ้าหากเราไปกำหนดหมายว่าลมหายใจละเอียดลมหายใจหยาบให้เกิดความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นจิตของเราจะเปลี่ยนสภาพสมาธิจะถอน ดังนั้นจึงให้กำหนดดูลมหายใจอยู่เลยในตอนนี้ถ้าหากว่าจิตของเราสงบสว่างลงไปแล้วจิตดวงใดวิ่งเข้ามาดูลมหายใจก็จะรู้อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นเมื่อจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจออกเข้าออกเข้าออกเข้า อ, อ, าอยู่อย่างนั้นเราก็ดูอยู่อย่างนั้นแหละเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเอาลมหายใจเป็นเครื่องละลึกของสติ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 เมื่อบริกรรมภาวนาธรรมจิตให้สงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิจิตปราศจากอารมณ์ไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆท้งนั้นมีแต่ความสงบนิ่งสว่างอยู่เราก็รู้สภาพความจริงของจิตตั้งเดิมมันเป็นอย่างนี้ในจุดนี้ท่านเรียกว่าประพัฒสละมิทังพิกเวจิตตังเดิมจิตของเราเป็นธรรมชาติประพัสอน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 อันนี้คือผลซึ่งเกิดขึ้นจากการบริกรรมภาวนาในขั้นต้นทีนี้เมื่อเราทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็ทำให้เรามีความชานิชำนาญในตอนต้นจิตของเราบริกรรมภาวนาแล้วมันอาจจะสงบผู้ลงไปถึงจุดนิ่งเรากําหนดรู้แต่เบื้องต้นแต่ในถ้ำกลางเราไม่รู้ แล้วก็ไปรู้เอาเบื้องปลายคือจุดที่จิตสงบนิ่งสว่างเท่านั้นอันนี้เป็นสมาธิใล้ๆกับว่าทําไปแล้วมันพลุกมันยังไม่ประกอบด้วยองค์แต่อาศัยการกระทําอย่างนี้บ่อยๆเข้าเมื่อเรามีความชํชนานิชํานาญเราจะสามารถเข้าสมาธิกําหนดรู้ตามระยะขององค์ฌานคือเริ่มต้นแต่วทตก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 ทำใจเย็นๆอย่าไปทำอย่าไปทำใจร้อนการปฏิบัติธรรมนี่ต้องใจเย็นๆถ้าไปทำใจร้อนแล้วมันจะไม่ประสบผลทีนี้อีกอย่างหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาเนี่อันนี้ตามที่ว่ามานี่เป็นจิตที่เดินเข้าไปสู่สมาธิโดยทางที่ถูกต้อง แต่ถ้าหากว่าเมื่อเราบริกรรมภาวนาธรรมเจิตให้สงบนิ่งลงไปเกิดความสว่างขึ้นมาแล้วในตอนนี้เมื่อจิตส่งกระแสะออกไปข้างนอกจะเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาถ้าภาพนิมิตนั้นเกิดขึ้นมาผู้ภาวนาเกิดเอกใจขึ้นมาโลกใจขึ้นมาถ้าเกิดความแปลกใจแรงขึ้นมาสมาธิจะถอนภาพนิมิตนั้นจะหายไป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 เรามองเห็นนั้นมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสองอย่างหนึ่งเมื่อเห็นนิมิตรเกิดเอใจสมาธิจะถอนสองเมื่อเจตเทนในมิตแล้วไปติดในิมิตรเจตส่งกระแสออกไปข้างนอกไปติดนิมิตรแล้วก็จะตามนิมิตรนั้นไปถ้าเห็นนิมิตเป็นคนก็จะเดินตามคนไปเห็นนิมิตเป็นเทวดาก็จะตามเทวดาไป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 สามารถทำจิตให้สงบนิ่งลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิจะขอยกอนุสติสิบขึ้นมาเก่าอนุสติสิบข้อตั้งแต่พุท ธ, ธานุสติจนไปถึงข้อที่8ใครจะบริกรรมภาวนาอย่างไรจิตสงบลงไปได้เพียงแค่อุปจารสมาธิ <c oughs> เท่านั้นไม่ถึงอัปปนาสมาธิ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 เมื่อบริกรรมภาวนาทำจิตให้เป็นสมาธิได้ดีพอสมควรแล้วเพิ่งน้อมจิตไปพิจารณาอสุภกรรมฐานอันนี้ถึงอันดับที่สองซึ่งเป็นโอวาทของท่านอาจารย์เสาการพิจารณาอสุภกรรมฐานนั้นก็ยึดเอากายกตาสติกรรมฐานนั่นแหละเป็นอารมณ์โดยท่านให้ยึดหลักการพิจารณากรรมฐานห้าเป็นเบื้องต้น เชนยังพระสงฆ์ท่านพระเนนท่านบวชอุปชายะท่านจะสอนให้สอนกรรมฐานห้าให้เรียกว่าตาจะปันจกะกรรมฐานท่านสอนให้ว่าเกษาโลมานาขาทันตาตาโจตะโจทันตานาขาโลมาเกษาแล้วท่านก็นย้าให้พิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนัง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 ได้อสุภะกรรมฐานชำนิชำนานแล้วในขั้นต่อไปเพื่อจะฝึกจิตให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานท่านจึงแนะนำให้พิจารณากายทั้งหมดนี้แยกออกเป็นสี่ส่วนคือเป็นส่วนดินน้ำลมไฟผมขนเละบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นซึ่งมีลักษณะแค่นและแข็งเป็นธาตุดิน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 นี่แนวทางของท่านอาจารย์เสาท่านสอนให้พิจารณาแหล ะ, ะให้พิจารณาอย่างนี้ซึ่งอาตมาได้นำมาเล่าสู่บรรดาท่านทั้งหลายฟังและจะด้วยประการใดก็ตามถ้าท่านาจะเป็นนักปฏิบัติธรรมกันจริงจังแล้วอย่าได้ไปสงสัยในวิธีการแห่งการปฏิบัตินั้นครูบาอาจารย์องค์ใดสอนมาเป็นการถูกต้องทั้งขอว่าแต่ให้ท่านทาจริงเท่านั้น าการกล่าวธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติในทางด้านจิตใจก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในเมื่อฟังทำแล้วก็ลองนั่งสมาธิลองดูบ้างดีไหมดังนั้นขอเชิญท่านทั้งหลายจงเตรียมนั่งให้สบายจะนั่ง พ, พับเทียบหรือจะนั่งขัดสมาธิก็ได้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 ให้มีความสัมพันธ์กันใครจะตั้งจิตเอาไว้ที่ปลายจมูกหรือที่ไหนก็แล้วแต่ถนัดแต่ปัญหาสำคัญให้จิตรู้อยู่ที่ลมหายใจกับคำว่าพุทธโธเข้าออก<ๆ>เข้าออกอยู่อย่างนั้นแต่หากว่าท่านบางท่านอาจจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่น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 เอาลมหายใจมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจดจ้องอยู่อย่างนั้นถ้าหากท่านที่บริกรรมภาวนามาจิตเป็นสมาธิชำนิชำนานเพียงแต่นึกพุทธโธธรรมโศมภพอเป็นการไหว้ครูแล้วก็กาหนดรู้ลงที่จิตของตนไม่ต้องบริกรรมภาวนาพุทธโธต่อไปอีก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 อันนี้เป็นกิริยาของประสงค์เกิดขึ้นในจิตของท่านท่านทาจิตให้เป็นสมาธิสงบนิ่งสว่างลงไปได้นะโอกาสใดโอกาสนั้นพระพุทธธรรมประสงค์เกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วจิตของท่านถึงพระพุทธธรรมประสงค์จิตของท่านพบพระพุทธธรรมประสงค์แล้วให้ท่านกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียว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 บางท่านก็เป็นนิ่งอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้แปลกแปลกขึ้นมาท่านที่รู้รู้ไม่ทันหรือไม่รู้เท่าก็จะเข้าใจว่าจิตของตนเองฟุ้งซ่านลักษณะของจิตฟุ้งซ่านเราจะสังเกตได้เมื่อจิตนึกอารมณ์อันใดแล้วมันทําให้จิตวุ่นวายเดือดร้อนอันนั้นเป็นลักษณะของจิตที่ฟุ้งซ่าน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 อันนี้เป็นจุดสำคัญที่นักปฏิบัติจะพึงกาหนดรู้เอาต่อไปนี้เลิกพูดขอให้ทุกท่านจงตั้งใจทําความสงบจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรทรมีคาถาโอกาสนี้จะเดกลาวธรรมะ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 อันจำพียพระไตรปิฎกมามากพอสมควรเมื่อเป็นเช่นนั้นเรื่องราวแห่งธรรมะที่จะนำมากล่าวซ้ำซ้ำซากซากจึงเห็นว่าไม่จำเป็นเสงอธรรมะเองก็อ่านพระไตยปิฎกยังไม่จบ บางท่านก็อาจจะได้อ่านจบมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบเที่ยวตั้งแต่บวชมาเคย อ, าอ่านเคยหัดอ่านแต่หัวใจของตัวเองและเคยคิดแต่ว่าพระพุทธเจ้าเทศว่าใครเอาธรรมะมาไว้ในหัวใจของเราได้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 ทีนี้วิธีการต่างๆท่านทั้งหลายก็คงได้ยินได้ฟังวันนี้หลวงพ่อพุธจะเทศวิธีการเอาธรรมะเข้าใจด้วยวิธีการภาวนาพุทโธบางท่านอาจจะเคยเรียนมาโดยวิธีอื่นอาจจะนึกแปลกใจว่าทำไมองค์นี้มาเทศอย่างนี้ มเมื่อวานหรืออาทิตย์ก่อนก่อนโน้นได้ฟังเทศองค์หนึ่งท่านก็ว่าต้องทำอย่างนี้จึงจะเอาธรรมะเข้าในจิตในใจได้พระแต่ละองค์ก็เทศไปคนละอย่างไม่ทราบว่าจะยึดเอาแบบไหนอย่างไรปัญหานี้ได้ยินพุทธ